โทร025493043หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th รายการชีวิตวัฒนธรรมโดยอาจารย์พนโนธรรมเนียมอิน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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รอพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะเช้าตรู่ของวันเสาร์เราพบกันเป็นประจำตีสี่ถึงตีห้าค่ะตื่นนอนกันหรือยังคะหลายท่านบอกยังจ้าอา้ายังแล้วตอบได้ยังไง <c oughs> ดิฉันก็มโนไปเรื่อยนะคะคือ อยู่เป็นเพื่อนผู้ที่กำลังเดินทางอยู่เป็นเพื่อนผู้ที่ต้องตื่นมาประกอบภารกิจในเช้าตรู่ไม่ว่าจะเตรียมการไปหุงหาอาหารสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือวันนี้พิเศษนะคะหลายท่านก็จะเตรียมไปทำบุญที่วัดนะคะหรือบางท่านก็จะเตรียมไปประกอบอาชีพไม่ว่าท่านจะอยู่ใน ขณะใดก็ตามก็ส่งความสุขแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันถึงตีห้านะคะแล้วก็ขอให้เช้า ว, วันนี้เป็นเช้าที่สดใสเป็นวันที่สบายใจของทุกๆ ท, ท่านและคนที่ท่านรักด้วยวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หลายๆนคนเดินทางจากบ้านไปสู่ที่ต่างๆไม่ว่าจะไปเที่ยวไปทำบุญหรือกลับไปภูมิํำเนานะคะก็มีความสุขกับการเดินทางนะคะ เดียนเชื่อว่าหลายๆคนลาหนึ่งวัน <c oughs> แน่นอนเพราะลาหนึ่งวันได้หยุดตั้งห้าวันเน่ค่ะเพราะฉะนั้นลากันเป็นแถวก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลจะได้กลับบ้านยาวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะมีความสุขกันทุกๆครอบครัวเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วดิวฉันได้มีโอกาสไปที่เมืองทองธานีค่ะ ที่อาคาร Challenger 2เขาก็มีงานใหญ่มากๆชื่อ Thailand Expo Social 2019ในงานนะคะก็น่าจะมุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุด้วยแล้วก็มีคน พ, พิการด้วยนะคะซึ่งงานใหญ่มากแล้วก็จัดกันอย่างโอ้โหแบบและลานตาไปแล้วก็อยากจะเดินให้ทั่วงานเหมือนกันแต่ด้วยข้อจำกัดบางประการดนั้ก็ ได้สองสามซุ้มโดยชอะเวทีกลางนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยอภิปรายบนเวทีโดยองค์กรต่างๆแล้วก็มีภาคบันเทิงที่แสงสาระน่ภาคบันเทิงที่แสงสาระก็คือเทนด้มีโอกาสไปร่วมงานการแสดงละครวิทยุสดๆของคณะเกติป ที่เวทีกลางเชลเลนเจอร์ช่วงเวลาประมาณ10 4นนาทีถึง11นากานาทีช่วงช่วงนั้นนะคะก็เป็นการแสดงละครที่กระทรวงพอมอเขามุ่งเน้นอยากให้คนโดยเฉพาะลูกหลานเนี่ยเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุกลับไปกราบกลับไปกอดให้ท่านได้ชื่นอกชื่นใจ แล้วก็สร้างความอบอุ่นในครอบครัวให้กำลังใจสวทั้งหลายนะคะก็มีคุณสีอุทัยเป็นผู้เขียนบทศีอุทัยนี่ท่านใดได้ทราบก็คืออาจารย์พลัดดิษัยสิท ธ, ธิ์ธั า, ากิจนั่นเองท่านก็เป็นผู้เขียนบทละครวิทยุเรื่องนี้แล้วก็แสดงโดยคณะกีดทิพย์ นะคะคุณกัญยาตินพง์เป็นผู้นำทีมซึ่งในแวดวงก็จะเรียกประกรันบ้างแม่กันบ้างนักกันะกบ้างเนี่ยนะคะท่านวัย80กว่าแล้วค่ะแต่ยังแข็งแรงมากๆก็ไปกำกับการแสดงของลูกทีมนะคะทุกคนก็แหมขนเครื่องเข่าของการแสดงละครวิทยุมานะคะมีหมดเลยค่ะอุปกรณ์เรื่องนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชีวิต วิถีที่อยู่ในเรือนแพดังนั้นก็จะมีลูกบวบรู้จักรูกบวบไหมคะเด็กๆแพลูกบวบก็คือไม้ไผ่อะคะ่ะเอาไม้ไผ่มาเรียงผูกมัดเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นฐานเป็นทุน่นลอยน้ําแล้วก็ปลูกเรือน ง, ง่ายๆเรียบๆอยู่บนแพนะคะก็เป็นแพลูกบวบมีสองตายาย ที่พักอาศัยอยู่แล้วก็มีลูกชายที่ไปเรียนหนังสือในกรุงเทพก็คิดถึงนะคะแต่ว่าทำยังไงได้ลูกก็ต้องมีอนาคตพ่อแม่ก็รอคอยไปแล้ววันหนึ่งลูกชายก็กลับมาเยี่ยมบ้านนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพอมอเนี่ยกระทรวงพอมอเขาก็จะมีหน้าหน้าที่หลายหลายฝ่ายที่ไปดูแลสูงผู้สูงวัยนะคะทั้งเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่การสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ เรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องการออกกําลังกายอะไรต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็นำพาชีวิตครอบครัวสู่ลานวัดกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดไปทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ดึงเรื่องราวของเพลงพื้นบ้านมาให้ตระหนักคุณค่าของวิถีไท ย, ไทยแล้วก็ เห็นความรักความสามัคคีของผู้คนในสังคมและก็หน่วยงานของภาครัฐที่ใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนี้แล้วลูกก็รู้จักหน้าที่เมื่อมีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของความรักที่ทุกคนพึงมีให้กันโดยเฉพาะลูกที่พึงกลับไปกราบกอดพ่อแม่เพราะรักใดไหนจะเท่า รักของพ่อแม่ใช่ไหมคะเ้นก็มีโอกาสไปร่วมงานตรงนั้นแล้วก็ไปทำเสภาปิดท้ายระครให้สองบทนะคะก็มีความสุขแล้วก็เอาความสุขมาฝากแทนรายการด้วยทราบว่าอาจจะมีการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุบางคลื่นซึ่งเรน ย, ยังไม่ทราบชัดเจนแต่ก็จะมีการ เผยแพร่ทางโลกของโซเชียลด้วยนะคะถ้าทราบความกระจ่างอย่างไรก็จะมาเชิญชวนทุกท่านไป ต, ตามละครวิทิุชุดนี้นะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์กับสังคมเราแล้วก็วันนั้นแสดงกันสดๆบนเวทีหลังจากพวกเราลงก็จะมีสามนาะ <c oughs> น้านั้นนะั้นาะนะนะนะนงนาะโยงแล้วก็อีกท่านหนึ่งเอ๊ะชื่อนะาอะไรนะคุณวังนึกออกไหมคะ สามนาขึ้นเวทีโอ้โ oh หคุณฟังก็มาสนุกสนานลื้นเข่งกันนะคะนอกจากนั้นก็จะมีบูธของกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานต่างๆที่นำื่าวของโอทอปเข้ามาเสนอในกิจกรรมบนเวทีนั้นด้วยนะคะในฮอลก็จะเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายนะคะที่มาร่วมกันทำกิจกรรมใน งานไ h a i l a ด์ s ซ c i a l ลมีเดียเอ2019ที่อาคาร c h ลเ l e n จอร์เมืองทองธา น, นีนะคะกิจกรรมจบลงไปแล้วค่ะแต่ว่าความประทับใจก็ยังคงมีอยู่นะคะถ้ามีโอกาสดีๆก็จะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังแต่วันนี้ก็นำเรื่องราวที่เป็นความสุขความอบอุ่นที่หลายๆฝ่ายนะคะได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมมาเรียนให้ทุกท่านได้ทราบ สิ่งที่เป็นความงามที่เห็นในฮอลล์ของ c ช a l เจอร์สองเนี่ยนอกจากสินค้าโอทอปอาหารเสื้อผ้าแล้วก็ผลงานประดิษฐ์แบบไทยๆของเรานะคะที่ยังคงคุณค่าความโดดเด่นสะท้อนให้เห็นชีวิตวัฒนธรรมของเราที่ตอนนี้มีนวัตกรรมทำให้ เพิ่มมูลค่าของสินค้าต่างๆเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนนะคะก็ต่อยอดไปถึงเรื่องของกระบวนการผลิตที่มีความทันสมัยแล้วก็คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ทุกชนิดเหล่านั้นเนี่ยใช้ประโยชน์ดได้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หลากหลายมีสิ่งที่เป็นเรื่องราวของภูมิปัญญามาปรับ บราการกับเรื่องของความทันสมัยที่เข้าม า, าจากทุกๆมุมโลกก็ทําให้ของไทยเราดูมีคุณค่ามีความสง่ามากยิ่งขึ้นนะคะอยากเชิญชวนให้ทุกๆ ท, ท่านสนับสนุนเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เขาก็มีงานอะไรนะคะเขาบอกว่าตลาดน้ํานะคะโอ้โหผู้คนไปเที่ยวกันเยอะแยะมากมายนะคะ อยากเชิญชวนอีกเหมือนกันค่ะไม่ว่าคุณฟังจะฟังอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดก็ตามนะคะถ้ามีงานดีๆเช่นนี้อยากให้ทุกท่านไปให้กำลังใจผู้จัดแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานเพราะถ้าหากไม่มีคนไปเดินไม่มีคนไปซื้อผู้จัดก็คงจะหมดกำลังใจแล้วก็ผู้สนับสนุนก็คงจะปล่อยวางในเมชาของไทยๆที่เป็นวิถี ชีวิตวัฒ น, นธรรมใครล่ะคะที่จะมาสืบสารต่อจริงไหมคะนอกจากคนไทยด้วยกันดังนั้นขอเชิญชวนนะคะถ้ามีกิจกรรมดีๆดิฉันผนธรทมเนียมอินก็จะนำมาแจ้งให้ทราบในรายการชีวิตวัฒ น, นธรรมเป็นประจำค่ะเช้านี้พบกันในช่วงที่หลายๆท่านหยุดยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันเสาร์ที่13กรกฎาคม ยันเชื่อว่าหลายท่านก็เตรียมตัวไปทําบุญนะคะถึงแม้ว่าวันอาสานหาบูชาวันเข้าพรรษาจะเป็น1 5บ6แต่หลายท่านก็อาจจะบอกอ้าววันนี้วันหยุดแล้วก็ไปทําบุญเสียก่อนได้ค่ะตามวัดต่างๆก็คงจะหนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ยังคงมีความเชื่อและศรัทธาในการที่จะทำเทียนพรรษาหล่อเทียนพรรษาหรือไปซื้อเทียนพรรษาไปถวายวัดหลายคนบอก ใช้เหลอเทียนพรรษาตอนนี้เขาใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้วแล้วถ้าไปดับล่ะคะเทียนพรรษายังคงมีความสำคัญเหมือนเช่นเคยนะคะและที่สำคัญก็คือไฟฟ้าบางคนเนี่ยเขาก็ประยุก ค, ค่ะ นวัตกรรมชีวิตวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ไปซื้อหลอดไฟขนาดต่างๆไปถวายวัดก็มีนะคะอันนี้เขาคงมุ่งเน้นในเรื่องของประโยชน์ในการใช้สอยแต่ถ้ายึดมั่นในขนรทมเนียมประเพณีชีวิตวัฒนธรรมก็ยังคงเป็นเทียนพรรษาและเราก็ยังคงเห็นภาพที่โดดเด่นที่จังหวัดอุบลราชธานีเหมือนเช่นเคยหลายท่านก็มุ่งเน้นไปที่อุบล น, นะคะไปดูเทียนพรรษา ที่สวยสดงดงามที่สุดในประเทศถ้าคนกลุ่มนี้ไม่ช่วยกันทำรงรักษาไว้เราคงไม่มีโอกาสเห็นกระบวนแห่เทียนพันศาที่ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกขอบคุณชาวอุบลราชธานีโดยเฉพาะลูกหลานไทยที่ไม่ลืมวิถีวัฒนธรรมนะคะและขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีทุกๆองค์กรค่ะที่ทำให้เราได้เห็น วิถีไทยอันเป็นภาพความงามที่เป็นช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเรานะคะช่วงนี้พักฟังเพลงจากคุณบิ๊กซักเพลงเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่สองค่ะคลื่นสั่นคลื่นซาทิพาแดง ผาแห่งนิยายสว ร, รางอาถรรพ์หาดสวยงามนาพผาแดงลมพัดแพรงเรื่นทั้งวันทั้งคืนที่นั่นเหมือนเวียงหวางชายทะเลริมเขือนหาดผาแดงใจฉันกลัมเร่าแรงโดดด้วยความวัง สิ้นสุนไปพ ก็สิ้นสุดไปเปลีนหาดผาแดงนี้คือสถานพักใจงามวิไลเหมือนดังจินดิน ขณะ น, นี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนธธรรมเนมอินดำเนินรายการนะคะเราอยู่กันจนถึงตีห้านะคะฟาสางสบายๆหลายคนได้หยุดนอนตื่นสายจ้าแต่บางคนก็เป็นวันทำงานนะคะแล้วก็บอกว่าไม่มีวันหยุดแต่บางคนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะอ้าวจะกลับบ้านใช่ไหมอ้าพี่อยู่ทางานแทนให้แล้วก็มา ชดใช้ใช้นี่หรือจะบอกว่าอาจแทนกันวันหลังนะคะมิตรเมตตรเช่นนี้เกิดขึ้นได้ทุกๆกลุ่มสังคมเรายังคงมองเห็นรอยยิ้มที่แจ่มใสและจริงใจต่อการในคนไทยหมู่ใหญ่นะคะคุณฟังค้าในเรื่องของขนบรรมเนียมวิถีไทยๆของเราโดยเฉพาะงานบุญที่ยิ่งใหญ่ในแต่ละช่วง วันอาสารหาบูชาเพนเดือนแปดนะคะก็เป็นวันที่พวกเราเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะบวชก็ยังบวชได้กันจนถึงสิบห้าเนาะอาสารหาบูชาแต่ก็จะน้อยแล้วค่ะเพราะสิบหกก็เข้าพรนษาแล้วคุณบุตรหลายบ้านก็เตรียมตัวที่จะจะบอกว่าบวชนะคะก็ยังมีโอกาสที่บอกว่า จนถึงสิบห้าบวดได้เนาะแต่ว่าสิบหกไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนบวชแล้วกลางพรรษาไม่ค่อยมีคนบวชนะคะแต่ถ้าเป็นความจําเป็นก็จะบวชกันเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกโอว ง, งานบวชห น, น้าคืองานบุญที่ยิ่งใหญ่แต่พอวิถีชีวิตเปลี่ยนไปงานบวชน้าในแต่ละถิ่นก็จะแตกต่างกันไปนะคะแก่นของการบวชหน้า ก, ก็คือที่ได้มีโอกาสไปศึกษาพระธรรมนะคะใน โลกของเพศบัพชิตนะคะแล้วก็พอสึกออกมาก็จะเรียกไอทิศไอทิศไอทิศก็คือบัณฑิตนั่นเองคุณบังค้าที่ฉันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปอ่านแล้วก็ไปชมด้วยหนังสือเล่มนี้ชื่อทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนังเวสัน ด, นชด ร, ร, ร, รชาดกภูริทัตภูริทัตตาชาดก จันทกุมารชาดกนาฏชาดกวิธูรชาดกนะคะโดยคุณนิดดาหงวิวัฒน์ค่ะพูจานาวิเวกก็คืออีกช่วงหนึ่งของหัวใจพระเจ้าสิบชาตินะคะเตชะสุเนมะพูจานาวิเวกก็สวดกันในประจําของหลายๆคนนะคะดิฉันเองก็สวดอยู่นะคะหนังสือเล่มนี้นี่เป็นหนังสือที่เออ บอกเล่าเรื่องราวนะคะจากชุดทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนังเล่มเบสันดอนชาดกนะคะเป็นหนังสือที่ผู้เขียนบอกว่าการใช้หนังสือเนี่ยควรจะใช้คู่กับจิตรกรรมฝาผนังที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะฝากไว้ให้กับแผ่นดินเพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาแล้วก็สืบท้นต่อไปให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้นนะคะ ดังนั้นการใช้หนังสือเล่มนี้ก็คือหนึ่งรูปจิตรกรรมฝาผนังรวมขึ้นเป็นกลุ่มตามเรื่องราวในแต่ละตอนฉะนั้นรูปจะอยู่ในอิริยาบถซ้ำๆกันแต่เส้นสายหลายสีต่างหากคือหัวใจสะท้อนศิลปะของแต่ละยุคแต่ละสมัยดังนั้นอ่านดูแต่ละภาพเรื่องราวก็จะต่อกันหมดค่ะ แล้วข้อที่สองคือเรื่องราวในทศชาติชาดกเล่มนี้นะคะก็เก็บบทสนทนาธรรมขึ้นมาอย่างเต็มสมบูรณ์อ่านง่ายเข้าใจดีเรื่องก็จะยาวภาพประกอบเรื่องหรือเรื่องประกอบภาพก็จะไม่ตรงกันเสียทีเดียวแต่เรื่องจะช่วยให้เข้าใจภาพได้ชัดเจนก็สามคือใต้ภาพทุกภาพบอกเรื่องราว และภาพนั้นๆว่ามาจากวัดไหนวัดตั้งอยู่ที่ใดเพื่อที่ผู้สนใจประทับใจในภาพนั้นๆจะรู้ได้ทันทีสี่คำศัพท์ไายเล่มค่ะเป็นคำศัพท์ในเรื่องทั้งหมดเมื่อผู้อ่านติดขัดคำใดก็เปิดดูได้ทันทีในทุกที่ทุกเมื่อเพื่อผู้อ่านจะได้อัทรูอย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจนและสามารถลื่นไหลเข้าใจท้องเรื่องได้โดยตลอดนะคะ ก็หลายคนก็บอกว่าช่วงนี้อยากไปไว้าระก้าวัดไปที่นูน่นที่นี่ที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสได้อ่านหนังสือพุทธชาติชาดกกับจิตกรรมฝาผนังเวสันดรชาดกของคุณนิดาหงวิวันเล่มนี้นะคะก็คงจะเหมือนแผนที่นำทางให้ท่านไปสแสวงบุญได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะหลายคนก็มุ่งหวังว่า เข้าพรษาเป็นช่วงที่จะสแสวงบุญได้เต็มที่นะคะเพราะตั้งจิตภาวนาอธิษฐานไว้ให้เป็นช่วงหนึ่งที่ดีที่สุดของปีนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะดังนั้นไม่ว่าท่านจะสแสวงบุญในเมืองไทยของเราหรือไปที่พุทธสถานในอินเดียก็ตามนะคะก็ขึ้นอยู่กับ ต้องบอกว่าความพร้อมของแต่ละคนเป็นหลักนะคะแม้แต่ผู้ที่ไม่มีโอกาสไปสแสวงบุญในที่ต่างๆจะด้วยเหตุปัจจัยใดๆก็ตามเพียงท่านอยู่ในที่ที่ท่านอาศัยอยู่แล้วท่านตั้งจิตเป็นบุญนะคะสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติตนดีตนชอบทำดีละชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสาตามคำสอนหรือหัวใจของพระพุทธ ศาสนาท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ถึงพร้อมในการทำความดีแล้วเหมือนกันนะคะดังนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามมีโอกาสแค่ไหนก็ตามท่านสามารถน้อมจิตภาวนาสักการะบูชาดวงแก้วทั้งสามประการได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าท่านใดมีโอกาสดีกว่าเพื่อนๆก็ อนุโมทนาด้วยที่จะไปสแสวงบุญและทำความดีดังประสงค์เพราะถ้าทุกคนได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตนเองพร้อมแล้วก็มีความสุขทางกายทางใจก็ดีก็ส่งผลต่อยอดไปถึงความเจริญความรุ่งเรืองแล้วก็ชีวิตวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในกลุ่มสังคมจริงไหมคะเวลาที่เราทำบุญอยู่คนเดียวเราก็จะได้ความสุขสงบ ตามลำพังแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอกาสไปร่วมบุญกับผู้อื่นไม่ว่าจะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่หรือมหาชนความรู้สึกก็จะแตกต่างกันไปนะคะและทุกๆ ท, ที่ก็สามารถฝึกจิตในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต่างกันเช่นอยู่คนเดียวลําพังเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราสุขสงบ จเจริญสติปัญญาได้โดยง่ายเพราะจะไม่มีปัจจัยจากบุคคลอื่นมาทำให้เกิดเหตุปัจจัยต่างๆแต่ถ้าท่านเริ่มมีสองคนสามคนก็จะมีตัวแปรผ่านไปและยิ่งถ้าเป็นมหาชนคนเยอะๆเช่นไปทำบุญที่วัดในช่วงสีหวันเนี้ยที่วัดก็จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนการเดินทางก็จะหนาแน่นบนพื้นผิวจราจร การจอดรถก็จะต้องมีการแบ่งปันหรือจะพูดง่ายๆมีการแย่งชิงกันพอสมควรเห็นไหมคะตัวแปรทั้งหมดเนี่ยฝึกจิตให้เราได้เจริญสติปัญญาสมาธิความอดทนอดกานความเพียรพยายามคันติโอโหูใช้หมดเลยในเรื่องคุณธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เห็นไหมคะว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามยิ่ง เพื่อนๆโชเฟอร์พี่ๆที่ขับรถอยู่ขนาดนี้ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทเห็นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราสามารถทำความดีตามที่ศาสนาทุกๆศาสนาได้สอนเอาไว้ได้เหมือนกันทั้งหมดนะคะดังนั้นหลายท่านที่บอกโอ้ฉันไม่ได้หยุดฉันไม่มีเวลาท่านได้ทำบุญกับคนในบ้านท่านสามารถแบ่งปันหยิบยื่นไม่ว่าจะเป็นน้าใจ ความรักความมีเมตียต่อกันอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรครวมทั้งที่อยู่อาศัยมันเกื้อกูลทําให้เราทําบุญได้อยู่ตลอดเวลานะคะแต่นั้นถ้าหากท่านติดภารกิจเรื่องงานหรือความจําเป็นส่วนตัวท่านก็ทําบุญได้ค่ะเดนก็คิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะคะแต่คุยเป็นเพื่อนกันค่ะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกเช้านี้อยาก อะไรอะไรอะไรบ้างอะไรอะไรอะไรอะไรนี่ก็มันเยอะมากนะคะแต่ก็เชื่อว่าทุกท่านมีความพร้อมในการที่จะทำกิจกรรมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีให้กับ ตนเองได้มีความสุขพร้อมๆกับคนที่ท่านรัอยู่แล้วดิฉันเชื่อเช่นนั้นค่ะแล้วช่วงนี้นะคะวันนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณบิ๊กค่ะคุณบิ๊กมาควบคุมเสียงและหาเพลงพราะๆให้เราได้รับฟังกันนะคะดังนั้นเพลงที่2คุณบิ๊กเตรียมไว้แล้วขอเชิญน้ำฟังเลยค่ะ ไม่รู้นี่ทูลกที่อุ่นวายทุกวันแย่จริงดีกันชีวิตนั้นรับวันริงหุนวายเลก่กลอนทํากันเหมือนกันตัวยิงและไกหลีกไปพอ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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร 02-592-1999 มาบาดเดี๋ยวนี้กระเพนอยงไรคอนเธอเมินบัดนี้เธอมองคอยจ้องรำไปฮอนทำไมไม่เห็นยายดี แต่ก่อนแต่ไรไม่เลี้ยวไม่แลมาเปลี่ยนมาแปรเสียแล้วละสีแปลกในใจแต่นายแต่ไรไม่เคยไม่ตรีแต่บัดนี้จะทิดจะเชย ข้านครวนข่านไครจนจิตใจลำเอือแต่เห็นเธอนิ่งเฉยโอนไม่ชื่นไม่เชยโอนไม่เอ่ยไม่ฟังทั้งคำสั่งคำตองไม่ชื่นไม่ชู้ไม่รู้จิตใจแต่ก่อนแต่ายกลับสามทางโอน ก่อนเธอจ้างบัด น, นี้เธอชมไม่ช่างดังก่อนหายอาวรสะทหอนสะทือ น, อนแต่ก่อนแต่ไรไม่เห็นใจดีมาบัดเดี๋ยวนี้ไม่เฉ ย, ยไม่เฉื่อกลับกินดีบัด น, นี้น้ําใจไม่ลืมไม่เลือน อนทำเบือนปิดปลิวคำคงไม่เกี่ยงไม่งอนไม่คอนอีกเลยจะเดินจะเดินจะทิดจะชมอนไม่พูดไม่เพ้อไม่พามไม่คำคารมเปลี่ยนอารมณ์คลับนึกเอ็นดูนึกถึงเมื่ออนเธอแห้งอนเหลือใจจริงที่ไปอนสู ไม่ชื่นไม่ชุ่นไม่คู่ไม่ควรจึงได้ดวนเดินนี้เคยโกเยเคยเครื่องก็หายจริงจังมาเชื่อมาฟังเผื่อหวังไม่รีเกลียงก็คลายจากไรยกลายเป็นมาเห็นว่าดีกลับทาวีได้รักทุกวัน ที่รอคขาขณะนี้ทุกท่านกำลังฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนรธรรมเนียมนดำเนินรายการพบกันเป็นประจำนะคะทุกๆเช้าตรู่ของวันเสาร์ตี4ี่ถึงตีหทาง FM 89.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีแห่งนี้ค่ะในช่วงสุดท้ายของเช้านี้นะคะเน้นทราบว่าหลายท่านจะต้องไปเจอเจอผู้คน นะคะแล้วก็อาจจะต้องสนทนาระสาศักกันเยอะแยะมากมายหลายท่านนะคะก็อาจจะต้องไปอยู่กับผู้คนที่แปลกๆหน้าต้องอยู่ในที่ที่อาจจะต้องเบียดเสียดแยดๆกันเยอะแยะมากมายเด่ก็มีหนังสือเก่าๆที่ชอบเก็บเอาไว้อ่านนะคะด้วยความคิดถึงเช่นนิตยสารขวัญเรือนซึ่งเป็นนิตยสารผู้หญิงรายปากที่มียอดผู้อ่านสูงสุดเล่มหนึ่ง แต่ว่าวันนี้ก็ต้องปิดตัวลงไปเรียบร้อยแล้วหลายท่านยังคิดถึงขวัญเรือนสตรีสารหรือว่าเ อ, อ่อกุลสตรีบางกอกและอื่นๆอยู่มากมายนะคะดังนั้นเรนก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ ไปเปิดอ่านจากนิตยสารควันเรือนค่ะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้คอยยกตัวอย่างย้อนไปจากหนังสือเล่มนั้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์เช่นเนี้ยเราไปปรับใช้ได้กันทุกๆช่วงเวลาจริงๆเน้นไปจับใจกับหัวข้อของคอลัมน์นี้พูดทุกที่ให้มีคนฟังพูดทุกครั้งคนฟังพอใจ ย้ำอีกครั้งค่ะพูดทุกที่ให้มีคนฟังพูดทุกครั้งคนฟังพอใจผู้เขียนคือคุณนิเวศกันไถ่ราชนะคะนักพูดนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาที่เมื่อก่อนท่านก็เล่นละครให้เราดูกันนะคะ ตัวอย่างที่คุณนิเวศเขียนเอาไว้ให้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พูดอย่างไก่ให้จับใจคนนะคะแต่ว่าเรียนอ่านเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนําไปปรับใช้กับโอกาสอื่นๆด้วยคุณนิเวศเขียนไว้ว่าเมื่อสิ้นปีเก่าเก้าเข้าสู่ปีใหม่การจัดงานก็มีขึ้นเป็นธรรมดาอาจจะจัดก่อนสิ้นปีหรือหลีกไปจัดหลังปีใหม่ก็สุดแท้แต่เหตุผลของแต่และหน่วยงาน บางแห่งก็ยืดหยุนตามสถานการณ์เมื่อเห็นว่าไม่ควรจัดก็อาจงดงานดังกล่าวก็ได้แต่ถ้าจัดงานก็หนีไม่พ้นสิ่งที่นิยมกันคือมีดนตรีเสียงเพลงมีจับฉลากแลกของขวัญและมีการพูดอวยพรผู้อาวุโสหรือผู้ที่มีตำแหน่งระดับผู้นำหนีไม่พ้นที่จะต้องขึ้นเวทีกล่าวส่วนผู้น้อยก็ใช่ว่าจะเป็นฝ่ายฟังประการเดียว พี่ใหม่มาถึงทั้งทีผู้นำและผู้ตามทั้งผู้อาวุโสและผู้น้อยตระเตรมที่จะขึ้นเวทีเพื่อพูดในโอกาสสำคัญไว้ก็ดีครับนี่คือความนำของคุณนิเวศกันไทยราชพูดทุกที่ให้มีคนฟังพูดทุกครั้งคนฟังพอใจพูดอย่างใรให้จับใจคนสถานการณ์นี้เดียนไม่ได้คิดว่าแหมมล้าสมัยคุณพนน์เอามาพูดทาไมก็คือหนึ่ง ใ้เกียรติเจ้าของคอลัมน์และก็นิตยาสารขวัญเรือนแต่สิ่งที่ดิฉันจะอ่านต่อไปนี้คุณผู้ฟังปรับใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆอย่างไดคะเชิญฟังนะคะคุณนิเวศบอกว่าผมขอยกตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางไว้ดังนี้คือถ้าต้องหาคำตอบก่อนว่าหนึ่งพูดในฐานะผู้ใหญ่หรือผู้นำไม่ว่าจะมีตำแหน่งอะไรก็ตาม สองพูดในฐานะผู้น้อยตัวแทนพนัก ง, งานหรือตัวแทนผู้อยู่ในระดับปฏิบัติงานถ้าพูดในฐานะผู้ใหญ่หรือผู้นำสิ่งที่เป็นโครงสร้างของการพูดควรจะมีก็คือขึ้นเวทีอย่างสดชื่นมีความสุขทักทายอย่างเต็มไปด้วยไมตรีหลีกเลี่ยงคำว่าผมกับพวกคุณแต่ใช้คำว่าเราแสดงความชื่นชมให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้า การที่ต้องฟันฝาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาตลอดปีเราผ่านมาได้เพราะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทิ้งท้ายให้ซึ้งใจและเพื่อจะก้าวต่อไปอย่างเปี่ยมสุขทุกๆคนตามโครงสร้างที่ผมได้นำมาลำดับไว้ดังกล่าวถึงข้าวพูดก็โปรดพูดกันดังนี้ครับก้าวขึ้นเวทีอย่างสดชื่นยืนมั่นคงปับไม้พ่อเหมาะกับปาก หากถนัดถือไม่ก็ถอดไม่ออกมาแล้วย้ายขาตั้งใหม่ออกไปห่างจากการขวางหน้าสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านไม่น่าเชื่อเราทำงานกันอย่างสนุกเพลินกับการพัฒนาและบางทีก็แก้ปัญหาวันเวลาก็หมุนผ่านมาถึงสิ้นปีเก่าก้าวสู่ปีใหม่แล้วเว้นสักนิดนึงสบสายตาทุกๆคนให้ทั่วถึง ไม่มีงานใดในโลกนี้ไม่มีอุปสรรคแต่ตลอดปีที่ผ่านมาพวกเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นตลอดมาว่าไม่มีอุปสรรคใดเกินความรักความสามัคคีของพวกเราที่จะช่วยกันแก้ไขให้ผ่านไปได้พูดถึงตรงนี้หากสังเกตให้ดีจะพบสีหน้าและสายตาของผู้ร่วมงานมีความสุขหนึ่งปีผ่านไปสามร้อยหกสิบห้าวันที่ผ่านไป คือความเติบโตของบริษัทเราที่เกิดจากพลังแห่งสติปัญญาพลังแห่งความสามัคคีของพวกเราโดยแท้ผมขอยืนยันว่านี่คือความจริงที่ผมภูมิใจมากหยุดอีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้มีสมาธิดีๆต่อการที่จะซึมซับรับรู้ทุกสิ่งที่เราพูดมิใช่พูดพูดลื่นไหลพรั่งพรูเรื่อยไป จนจับใจความไม่ทันเมื่อจับใจความไม่ทันความทราบซึ้งก็ไม่มีโอกาสการขึ้นพูดของผู้นําต้องมิใช่ขึ้นไปได้พูดแต่ต้องใช้โอกาสดังกล่าวพูดครอบคลุมทุกอย่างรวมทั้งเป็นโอกาสยืนยันว่าเราทราบซึ้งกับทุกๆคนและหาพูดดีๆแล้วการพูดในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ยังเป็นโอกาสให้กำลังใจที่เหมาะสมอย่างยิ่งอย่าตำหนิอ่าอันนี้คุณนิเวศก็ยกตัวอย่างเรื่องของปีใหม่ให้พว้เราได้รับฟังนะคะแล้วกเ็เราปรับจากปีใหม่ไปเป็นโอกาสอื่นๆได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็สิ่งที่คุณนิเวศแนะนําเอาไว้ก็คือการพูดเนี่ย ต้องใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสมจังหวะที่ดีมีภาษากายที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ตั้งใจให้เป็นธรรมชาติพูดเชิงบวกไม่ติไม่เหน็บแนมไม่อ่านก็จะมีโอกาสประสานสายตากับผู้ฟังซึ่งเป็นสิ่งดีมากอันนี้ดิฉันก็ยอ่อให้ตัวอย่างไปครึ่งเรื่องแล้วค่ะ ตอนท้ายก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างนะคะที่จะพูดแล้วดิฉันก็มาเก็บเอาประโยคสุดท้ายของคุณนิเวศการไทยราชอ่านเป็นบทสรุปให้ฟังนะคะเชื่อว่าตัวอย่างเช่นนี้คุณผู้ฟังนำไปปรับใช้ได้พูดทุกที่ให้มีคนฟังพูดทุกครั้งคนฟังพอใจพูดอย่างไรให้จับใจคนดิฉันก็นำมาจาก คอลัมน์ของคุณนิเวศกันไทยราชในหนังสือนิตยสารขวัญเรือนนะคะซึ่งก็ผ่านไปหลายปีแล้วแต่ว่าคุณค่าของคอลัมน์หลายๆคอลัมน์เนี่ยมันไม่ได้จบไปกับหนังสือที่ปิดตัวไปแล้วมันยังคงทันสมัยแล้วก็นำมาปรับใช้ได้ตลอดเวลาชีวิตวัฒนธรรมของเราอยู่ในสังคมร่วมกันและเราก็ต้องพบปะเจอเจอกับผู้คนตลอดเวลา ทั้งคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาสนิทสนมและคนที่เราต้องเจอใหม่ๆบางวันเนี่ยเราจาเป็นต้องพูดกับคนแปลกหน้าซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนเลยบางครั้งเราก็ต้องอดทนกับคำพูดของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องใช้บริการรถสาธารณะตอนนี้ความเกรงใจกันบนสถานที่อันคับแคบจํากัดมันดูจะร่อยรอไปเรื่อยๆ เพราะคนบางคนลืมตัวค่ะอันนี้ไม่ได้ตำหนินะคะยกตัวอย่างเฉยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำเพราะว่า อ, อ, อย่างการใช้โทรศัพท์มือถือบนรถสาธารณะเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันเป็นความเร่งด่วนจำเป็นใช่ค่ะเราก็รีบพูดแล้วก็บอกปลายทางไปเลยค่ะว่าตอนนี้อยู่บนรถตู้บนรถเมล์บนรถไฟฟ้ามีอะไรด่วนไหมถ้ามีก็ พูดได้แต่ถ้าไม่มีอีกซกักจุดๆให้เวลาแล้วเป็นนัดหมายกันทีหลังแต่ถ้าจำเป็นต้องตัดสินใจต้องแก้ปัญหาเดียวนั้นพูดได้ค่ะแต่สั้นกระชับแล้วก็สุภาพเพราะคนที่อยู่รอบๆกายของเราเขาต้องฟังโดยไม่ได้ตั้งใจฟังดังนั้นก็จะได้ไม่สร้างความอึดอัดกับพวกเขาไปด้วยและเด่นก็เพิ่งทราบนะคะว่าจริงๆแล้วเมื่อเราอยู่ในลิฟ กับคนอื่นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรพูดอะไรเพราะในห้องสีเหลี่ยมแคบนั้นหลายคนอึดอัดกันอยู่แล้วยิ่งบางที่เนี่ยโอ้โหเข้าคิวกันนะคะกว่าจะขึ้นลิฟต์ได้แต่ละจุดยิ่งถ้ามีการพูดสนทนากันมันอาจจะสร้างความไม่มีความสุขกับผู้ที่ขึ้นลิฟต์กับเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเรื่องของการพูดเป็นเรื่องสคัญจริงๆถ้าพูดดี คนที่ฟังเขาก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่บางทีเนี่ยเดนต้องฟังคนที่เขาพูดเรื่องการออจีบกันจีบกันจริงๆนะคะหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มบนรถตูค้คุณผู้ฟังจีบกันเป็นครึ่งชั่วโมงอะค่ะโอ้โหไม่มีเวลาอื่นแล้วจะต้องจีบกันในขณะที่โดยสารรถแ ล, ล้วคนข้างๆบางทีเนื้อเหนื่อยบางทีง่วงๆอยากหลับหลับไม่ลง แล้วที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าผู้ขับรถหงุดหงิดอาจจะเกิดการกระชากหนึบหนึบคนอื่นแย่ไปด้วยอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดง่ายขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นเดยนยกเรื่องราวเหล่านี้มาเพื่อส่องสะท้อนการใช้ภาษาคา่ะ เดือนนี้จะมีวันภาษาไทยแห่งชาติในวันที่29กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่เราได้รับพระหมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะส่งเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาชาติเสด็จไปร่วมการประชุมทางวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยมิได้มีผู้ใดกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่าน พรุงท่านเสด็จไปร่วมงานครั้งนั้นเราจึงมีวันภาษาไทยแห่งชาติโดยมติคอรมอให้วันที่29กรกฎ า, าคมซึ่งในปี2505พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปทรงร่วมงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันภาษาไทยแห่งชาติเดงก็เลย มองหาเรื่องราวที่เป็นชีวิตวัฒนธรรมด้านภาษามาเกินให้ทุกๆกท่านได้รับฟังกันแล้วปีนี้นะคะสำนักงานราชบิณฑลยสภาก็จะไปจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติที่โรงแรมกรามา ก, กาเด้นกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญเตรียมตัวไปร่วมงานกันนะคะเดือน หาโอกาสไปแล้วก็จะเก็บเรื่องราวดีๆมาฝากคุณฟังแต่ถ้าท่านอยากไปฟังไปร่วมงานด้วยตนเองก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะคะโรงแรมรามากาเดนห้องแคทเอรียาวันที่29กรกฎาคมนี้ค่ะคุณฟังที่เคารพค่ะ หมดเวลาแล้วสำหรับเช้าตรู่ของวันนี้ด้วยการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนอดธรรมเนียมอินคุณบิ๊กผู้ควบคุมเสียงและหาเพียงพร้อมมาให้เราได้รับฟังกันดอกเตอร์กุนกนิษฐ์ทองเงาผู้ควบคุมรายการเราสามคนลาทุกท่านไปก่อนนะคะเอกอีเอ๊กอีกจิบจิบจิบ เสียงนกเสียงไก่มาปลุกแล้วนะคะก็ขอเชิญตื่นอย่างมีความสุขถ้าถึงเวลาแต่ถ้าคิดว่าวันนี้ขอนอนตื่นสายไม่มีเสียงนาฬิกาปลุกก็ยินดีค่ะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ ะ, ะพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายาก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 สอบถามเพิ่มเติม 02-592-1933 ศูนย์นวัตกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีเปิด่วนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 ชาตันตลาตอสิน เด็นรันได้รันได้อนาคาประเด็นรันได้รันได้อนาคาเขวยราองเดียวองเดียวเที่ยวรำพาตามตลาดเชาชิมชาตามตลาดชาวิมชาหน้าบุตรรา